กฎที่สี่สิบใช้หนี่ไก่เวลาย่ำรุ่งท่านพระครูปฏิบัติกรรมฐานเสร็จยังไม่ทันที่จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ภาพของไก่ยี่สิบตัวมาปรากฏในนิมิตวันนี้ท่านต้องตายที่รถไฟต้องตายแน่ๆเจ้าทุกพากันมากราวโทษที่ฆ่าพวกตนทำไมต้องตายเป็นอะไรตายจิตทำหน้าที่ถาม ใช้กรรมนะสิไสติ่งแตกเพื่อใช้กรรมที่ผ่าท้องพวกเราและควักไส้ออกมาตัดทิ้งไงล่ะภาพที่ปรากฏในมโนทวารตอบก็ใช้ไปแล้วนี่นาอัตมาไส้เน่าไงเกือบตายไปทีหนึ่งแล้วยังใช้นี่พวกท่านไม่หมดอีกรึจิตเจรจาตอบโต้กับเจ้าทุกอ๋อที่ใช้นั่นอนะมันเงินต้น แต่คราวนี้เป็นดอกเบีย้ยคือคำตอบกรรมก็ต้องมีดอกเบีย้ยด้วยหรือมีสิไม่ต้องพูดมากเตรียมตัวตายเถอะแล้วภาพนั้นก็หายวับไปโดยไม่รอให้ท่านต่อรองนี่เราจะต้องตายอีกแล้วหรือสมภารวัดป่ามะม่วงรำพึงอยู่ในความมืดไม่เป็นไรนะตายเป็นตายทำยังไงได้ เราอยากสร้างกรรมทำเวรเอาไว้ก็ต้องไปชดใช้ตามระเบียบท่านคิดปรงปงจากนั้นจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สัพพสัตว์โดยเฉพาะไก่2ี่สิบตัวที่ท่านทำให้พวกเขาตายโดยไม่รู้เท่าถึงการไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเลยสักนิดท่านพระครูออกบินทบาทตามปกติโดยมีเจ้าขาวหิว้วปิโนเดินตามหลัง ส่วนเจ้าแดงทําความสะอาดกุตินางโถออกมาใส่บาตรเป็นคนแรกโยมโถวันนี้อาตมาจะเดินทางไปส่งสารวัตรชนที่อำเภอชะอวดถ้าอาตมาไม่กลับมาอีกโยมอย่าทิ้งวัดป่ามาม่วงนะมีเวลาก็ไปช่วยเขาสอนกรรมาฐานให้ญาติโยมบ้างท่านสั่งเสียทำไมถึงจะไม่กลับล่ะ ท่านคิดจะสึกไปแต่งงานกับสาวปักใต้หรือหรือว่าจะย้ายไปอยู่ทางโ น, น้นนางโถเย้าได้คิดว่าท่านพูดเล่นไม่ใช่ทั้งสองอย่างอาตมาคงจะไปไม่ถึงปักใต้คงจะต้องตายอยู่ที่รถไฟนั่นแหละเจ้ากรรมในเวรเข้ามาทวงเมื่อตอนเช้ามืดนางโ ถ, ถตกใจนะักรีบกำหนดตกใจหนอตกใจหนอเป็นการใหญ่ นี่ท่านพูดจริงหรือพูดเล่นจ๊ะเดี๋ยวคนแก่อย่างอีฉันก็หัวใจวายตายกันพอดีถามเพื่อความแน่ใจอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งโยมโถไม่เคยก่อกรรมทาเวรยังไม่หัวใจวายตายง่ายๆหรอกเอาละอาตมาบอกได้แค่นี้แหละถ้าหากจะไม่ได้พบกันอีกก็ขอถือโอกาสลา อาตมาไปแล้วนะแล้วท่านก็เดินบินธบาตต่อไปปล่อยให้นางโถเชงเงอมองตามด้วยความพิศวงสงสัยกลับจากบินทบาต ท, ท่านพระครูเข้าไปล้างมือล้างเท้าในห้องน้ำใต้บันไดเด็กชายฟ้าแฝดช่วยกันจัดสำรับเตรียมประเคน บิณฑบาตมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายสำหรับวันนี้และชีวิตนี้นับแต่ครองผ้ากาสาวะมายี่สิปีเต็มเราไม่เคยได้กินเอิมนอนหลับชีวิตไม่เคยสุขสบายแม้แต่วันเดียวตายตายเสียได้ก็ดีเหมือนกันภิกษุวัยสี่สิเต็มเมื่อวันวา น, นคิดปงปรงขณะพิจารณาอาหารตรงหน้าจากนั้น จึงลงมือฉันอย่างมีสติจิตมิได้หวันไหวแม้แต่ความตายกำลังจะมาถึงเสร็จจากพัฒกิจท่านบอกเด็กชายคู่แฝดให้มายกสำรับกับข้าวไปกินกันกินแล้วขึ้นไปหาข้าข้างบนด้วยแล้วจึงขึ้นไปนั่งชั้นบนเพื่อสะสางงานที่ยังค้าง ท่านเขียนจดหมายให้พระมหาบุญรักษาการแทนเจ้าอาวาสไปก่อนจนกว่าทางราชการจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสองใหม่มาแทนการใช้จดหมายจะเป็นหลักฐานได้ดีกว่าบอกด้วยวาจาอีกฉบับเป็นจดหมายที่เขียนลาญาติโยมที่เคยมีอุปการะักคุณต่อท่านย้ำเตือนให้พวกเขาเร่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อชีวิตที่ดีงามต่อไปในภายภาคหน้า เพราะไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานอีกแล้วหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ผมกับน้องหรือเปล่าครับเด็กชายแดงขึ้นมาเรียนถามหลังจากอิ่มข้าวแล้วมีสิไม่มีจะสั่งให้ขึ้นมาหรือและเจ้าขาวไปไหนล่ะล้างถ้วยชามอยู่หลังกุฏิครับและเอ็งทำไมไม่ไปช่วยน้องกระบวนอู้งานแล้วก็ไม่มีใครเกินเอง เอาเปรียบแม้กระทั่งน้องที่ครานตามกันออกมาท่านถือโอกาสเทศเจ้าเด็กฝาแฝดคู่นี้แม้จะมีนิสัยดีหากสติปัญญาไม่จัดว่าฉลาดเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้เมื่อถูกเทศแฝดพี่จึงลงไปช่วยแฝดน้องไม่รู้ว่าหลวงพ่อไปกินรังแตนมาจากไหนดุข่าแต่เช้าเลยเขาบอกน้องชาย พูดกินได้ยังไงท่านเป็นพระต้องพูดว่าฉันนึงจะถูกเด็กชายขาวแยง้งเอวะไม่รู้ไปฉันรังแตนมาจากไหนข้าชักสงสัยซะแล้วสิพูดมีเล่ในสงสัยอะไรละ่ะน้องชายถามสงสัยว่าเราสองคนจะไม่ใช่ลูกท่านนะสิไม่เห็นรักเราเหมือนพ่อคนอื่นๆเขาเลย แปลว่าที่ชาวบ้านเขาพูดกันนะไม่จริงใช่ไหมที่เขาหาว่าข้ากับเองอ่ะเป็นลูกหลวงพ่อกับแม่ชีนะ่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันดูดูแกไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะแม่ชีแต่ละคนดูแก่กว่กท่านอีกแถมสวยก็ไม่สวยหลวงพ่อทั้งนมทั้งหลอ่อจะไปมีอะไรอะไรกับแม่ชีแกแกเชื่อหรืออีกอย่างนะ แม่ชีแกก็เลี้ยงเราสองคนแบบธรรมดาธรรมดาไม่เห็นว่าจะรักใคร่เป็นพิเศษแต่ประการใดอยากรู้ไหมละ่ะถ้าอยากรู้ก็ลองถามท่านดูกล้าไหมไม่กล้าหรอกเอ็งอยากรู้เอ็งถามเอ็งสิข้ากลัวท่านดุน้องชายปฏิเสธถ้าอยากรู้จริงๆมันก็ต้องเสี่ยงแหละเอาอย่างงี้แมล่ล่ะ เรามาเป่ายิงฉุบกันใครแพ้คนนั้นต้องเป็นคนถามพี่ชายเสนอเงื่อนไขข้าก็ไม่กล้าอีกนั่นแหละช่างมันเธอว่าจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ช่างเหอะขอให้กินอิ่มนอนหลับไปวันๆก็พอไม่รู้ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนการสนทนาของเด็กชายทั้งสองแม้ไม่ดังหากท่านพระครูก็ได้ยิน เพียงท่านกําหนดฟังหนาก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดดังนั้นเมื่อเด็กชายคู่แฝดขึ้นมาจึงถูกถามว่าอยากรู้นักหรือไงเด็กทั้งสองมองหน้ากันแล้วคนพี่ก็พยักหน้าเป็นเชิงให้น้องตอบหากเด็กชายขาวยังคงนั่งนิ่งเขากลัวท่านพระครูเสี่ยงกว่าหนูกลัวแมว ว่ายังไงล่ะเองสองคนอยากรู้นักไม่ใช่หรือว่าเป็นลูกใครครับเด็กชายแดงตอบอ้อมแอมอ้อมแอมข้าก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นพ่อแม่พวกเองเขาเอาเองมาทิ้งไว้ที่หน้าประตูวัดตั้งแต่ยังแบบบบอข้ากับเจ้าสำริกไปพบก็เลยเก็บมาให้แม่ชีเขาเลี้ยงไว้ถ้าข้าไม่ทำอย่างนั้นพวกเองก็ต้องตาย เพราะมดขึ้นแล้วพวกคนใจลามกศ ก, กปรกเลยเอาไปลือกันว่าข้ามีลูกกับแม่ชีเขาจ้องจะเล่นงานข้าอยู่แล้วคนอย่างข้านะ่ะถ้าจะมีเมียก็คงไม่มาบวชอยู่อย่างนี้หรอกคงศึกออกไปเสน า, นานแล้วเรื่องอะไรจะทำให้พระศาสนามัวมองข้าไม่อยากตกนรกอเวจี ท่านอัฏฐาที่บายและทําไมหลวงพ่อไม่เล่าความจริงให้เราสองคนฟังล่ะครับเด็กชายแดงถามเชิงตัดพาอก็ข้ากลัวเองสองคนจะมีปมได้แต่ในเมื่อเองอยากรู้จากคนอื่นแล้วข้าก็เลยต้องบอกความจริงเพราะที่เองรู้มาน่ะมันไม่จริงทั้งหมดรู้ไว้ก็ดีแล้วข้าขอเตือนเองทั้งสองว่า ให้เร่งทำกรรมฐานใช้นี่เจ้ากรรมในเวรเขาให้หมดมิฉะนั้นเองต้องตายก่อนอายุครบ30สบเจ้าขาวจะตายก่อนและเจะแดงจะตายตามทำไมถึงต้องเป็นเช่นนั้นล่ะครับเด็กชายขาวรู้สึกใจฟอใครเลยจะอยากตายตั้งแต่อายุยังน้อยเึ่งจะเกิดมาไม่รู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงก็ไม่คิดอยากตาย เพราะเองสองคนมีเวรข้อปานาติบาตติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนนะซีจำคำข่าไว้นะถ้ามเมริงทำกรรมฐานแก้กรรมรับรองเองสองคนตายก่อนแก่แน่นอนที่ข่าต้องบอกพวกเองให้รู้เพราะข้าจะต้องตายเหมือนกันตายวันนี้เสียด้วยหนีเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาบอกตอนเช้ามืดและหลวงพ่อไม่กลัวตายหรอครับ แฝดผู้พี่ถามกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายแล้วข้าวจะกลัวทําไมคนที่สร้างคุณงามความดีไว้มากเขาไม่กลัวตายเองสองคนรีบสร้างความดีกันเขาไว้เมื่อความตายมาถึงจะได้ไม่ต้องห่วงว่ายังไม่ทันได้สร้างความดีไว้กับโลกเอาละไหนๆก็จะไม่ได้กลับมาเห็นหน้ากันอีก ข้าก็ขอให้เองสองคนตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือขาดเรืออะไรก็ให้ไปขอที่เจ้าหลอข้ามีแหวนเพชรอยู่วงหนึ่งจะเอาแหวนเพชรให้เจ้าหลอไว้เป็นค่าเราเรียนพวกเองท่านหาวิธีคืนแหวนวงนั้นให้แม่ประยงเป็นอันว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเกิดลุงหลอกโกงเราสองคนล้วครับ เด็กชายขาววิตกโกงก็ให้เขาโกงไปคิดซสียว่าเองเคยโกงเขาไว้เมื่อชาติก่อนถ้าชาติก่อนผมไม่ได้โกงเขาไว้ละครับเขาก็ต้องไปชดใช้เองในชาติหน้าเอาละ่ะไม่ต้องมาซักไซ้ให้มากเรื่องจะไปไหนก็ไปปเดี๋ยวข้าจะต้องไปลาโยมพ่อโยมแม่ข้าเด็กชายฝาแฝดพากันลงไปแล้ว สมภา์วัดป่ามะม่วงจึงสะสางงานต่อกระทั่งเสร็จเรียบร้อยจากวัดป่ามะม่วงถึงตลาดปากบางใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีท่านพระครูไปถึงบ้านโยมบิดาและโยมมารดาเมื่อบ่ายคร้อยทิฏพองและแม่จวนดีใจที่พระลูกชายมาเยี่ยม ท่านหายไปเส้นนานสงสัยงานจะยุ่งแม่จวนพักทายหลังจากกราบพระลูกชายแล้วใจโยมแม่อาัตามากำลังพัฒนาวัด ต, ต้องพัฒนาทั้งวัตถุและจิตใจไปพร้อมๆกันวัดสุดโทมมากหากไม่ซ่อมแซมก็จะไม่มีที่ให้พระสงฆ์องค์เจ้าปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็ให้ญาติโยมปฏิบัติธรรมตอนนี้มีคนมาเข้ากรรมฐานกันมาก อาตมาก็ต้องต้อนรับขับสู้เพราะเราเป็นเจ้าของบ้านอาหารการกินไม่มีก็ต้องหาไม่มาก็ต้องซื้อเกิดเป็นสมภารเจ้าวัดนิหาความสุขไม่ได้เลยนะใจโยมท่านถือโอกาสปรับทุกข์นี่ขนาดท่านอุทิศตนให้กับพระาศาสนาถึงปานนี้ก็ยังมีพวกจิตอกุศลนินทาว่าร้ายเอาโยมได้ยินได้ฟังเขาแล้วไม่สบายใจเลย พิตพองซึ่งนั่งฟังอยู่เอ่ยขึ้นอย่าไปใส่ใจเลยใจโยมพ่อคนเราเมื่อทำความดีก็ต้องมีอุปสรรคอาตมาถือคติว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดคนที่กาลังสร้างบารมีต้องผจนมารด้วยกันทั้งนั้นถ้าสร้างความชั่วไม่มีมารเพราะที่ทำความชั่วจะไม่มีมารมาขัดขวางเพราะเป็นพวกเดียวกันกับมัน ท่านพระครูอธิบายให้โยมบิดาฟังโยมดีใจที่ท่านไม่คิดท้อถอยคนบางพวกพอมีอุปสรรคหน่อยก็ไม่สู้เสียแล้วคงจะจริงอย่างที่ท่านว่าการสร้างความดีต้องมีอุปสรรคเหมือนตอนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ก็ต้องมีมารมาผชนเฮ้อคนเรานี่ไม่ไหวเลยนะท่าน อิจชาริษยาใส่ร้ายป้ายสีกันไม่เว้นแม้กระทั่งประสงค์องค์เจ้าจังไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันใส่เลยอย่าไปสนใจก็เลยโยมสนใจตัวเราดีกว่าใครจะว่าเราดีหรือเราชั่วตัวของเราเท่านั้นที่รู้ถ้าเราชั่วใครจะมาว่าดีอย่างไรเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราชั่วจริงจะทันไม่มีใครรู้จักดี เท่าตัวเราเองแม่จวนสนับสนุนคำพูดของพระลูกชายโลกเรานี่มันวุ่นนะท่านนะนี่โยมก็ได้ยินข่าวไม่ดีมาคนให้ข่าวเป็นพระเสีย ด, ด้วยไม่รู้พูดไปแล้วจะทำให้ท่านสะเทือนใจไหมแต่โยมก็อยากจะพูดเผื่อท่านไม่รู้จะได้รู้ทิดพองอย่างเสียงพระลูกชาย พูดมาถ้าจะโยมพ่ออาตมารับฟังได้ทุกเรื่องไม่กลัวอะไรทั้งนั้นคนอย่างอาตมาไม่กลัวแม้กระทั่งความตายพูดอย่างไม่สะทกสะท้านเห็นท่านกล้าหารเด็ดเดี่ยวอย่างนี้โยมก็เ บ, บเบาใจคนที่ไม่กลัวแม่ความตายนั้นย่อมไม่หวั่นไหวกับคาลินทาว่าร้ายของผู้อื่นใด โยมได้ยินเรื่องที่เขาพูดใส่ร้ายป้ายสีท่านแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะคนที่พูดก็เป็นพระเช่นเดียวกับท่านเจ้าบ้านพูดก็ยังพอฟังแต่พระพูดเนี่ยมันไม่ไหวนะท่านคนที่ยิดได้ยินได้ฟังเขาก็ต้องนึกว่าจริงเพราะขนาดพระก็ยังพูดโยมพ่อท่านพระครูเรียกบิดาด้วยน้ำเสียงแสดงความเคารพ รู้สึกทราบซึ้งที่โยมบิดาห่วงใ ย, ยท่านโยมพ่อทราบใช่ไหมว่าในอดีตอาตมาเกลียดพระเกลียดมากๆแต่แล้วก็ต้องมาเป็นพระโบราณท่านว่าเกลียดสิ่งไหนมากได้สิ่งนั้นอาตมาเกลียดพระเลยต้องมาเป็นพระท่านยำ้ำ แล้วเดี๋ยวนี้ท่านเลิกเกลียดพระหรือยังแม่จวนถามพระดีอัตมาไม่เกลียดหรอกจะโยมแม่ส่วนพระไม่ดีอัตมาก็ไม่เกลียดแต่สงสารสงสารที่ท่านต้องไปตกนรกหมกไหมเมื่อก่อนอัตมาเถียงโยมยายว่านรกไม่มีแต่เดี๋ยวนี้อัตมารู้แล้วว่านรกสวรรค์มีอยู่พระไม่ดีต้องตกนรก เพราะการเป็นพระนั้นถ้าดีก็ดีไปเลยคือดีกว่าคฤหัสถ์แต่ถ้าชั่วก็ชั่วเลยเหมือนกันสรุปว่าเป็นพระนั้นตกนรกง่ายกว่าคฤหัสถ์พระทุกวันนี้ตกนรกกันมากเหลือเกินเพราะท่านสักแต่ว่าโกนหัวหมผ้าเหลืองแต่ไม่ชำระจิตไม่ลดละกิเลสกันเลยโลภจะยิ่งกว่าคฤหัสถ์อิจฉาริษยาก็มาก อาตมาเองถูกเขาอิจฉาริษยาเขาโกัวว่าอาตมาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอก็เลยกุเรื่องขึ้นมาให้อาตมาเสียชื่อเสียงโยมพ่อจำเจ้าเด็กฝาแฝดที่อาตมาเก็บมาเลี้ยงไว้ในวัดได้ใช่ไหมจำได้ก็เรื่องนี้แหละที่เขาเอาไปลือกันว่าท่านมีลูกกับแม่ชีลือกันให้แสบไปทั้งพระทั้งคารืหัด โยมฟังแล้วสงสารทันเลอเกินทิฏพองบอกความในใจอย่ากเก็บมาคิดให้เปลืองสมองเลยโยมใครเขาว่ายังไงก็ช่างเขาถ้าเราเก็บมาคิดก็คงไม่ต้องทำอะไรอัตมาไม่สนใจใครจะนินทาว่าร้ายก็ช่างที่อยู่มาได้ทุกวันนี้ก็เพราะยึดมั่นในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พหุชนะฮิตายะพหุชนะสุขายะโลกาณุกรรมปายะต้องยึดประโยชน์และความสุขของมหาชนต้องสงเคราะห์ชาวโลกนี่คือหน้าที่ของพระสงฆ์พระไม่ได้มีหน้าที่มานั่งจับผิดหรือว่านินทาว่าร้ายผู้อื่นเอาละเรายุติเรื่องนี้กันได้แล้วที่อาตมามาวันนี้ก็เพื่อจะขอลา และขอโอโหสิกรรมต่อยมพ่อยมแม่ท่านจะลาไปไหนและททำไมต้องขอโอโหสิกรรมพูดยังกับว่าจะไม่กลับมาอีกอย่างนั้นแหละแม่จวนรู้สึกใจคอไม่ดีอาตมาคงไม่ได้กลับมาอีกโยมแม่ยังจำได้ใช่ไหมที่อาตมาตอนไก่แล้วมันพากันตายยกแล้วนะ่ะ อาตมาถูกโยมแม่อวยใ้ให้พอรอยู่หลายวันจำได้สิก็ท่านสนโยมก็เลยต้องสั่งสอนนั่นแหละไก่พวกนั้นเข้ามาตามทวงหนี้แล้วเขาบอกว่าวันนี้อาตมาต้องตายในรถไฟอาตมากำลังจะเดินทางไปส่งสารวัตรชนที่อำเภอเอวดถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่ต้องไปสิไม่ไปไม่ได้หรอกโยม อาตมารับปากเขาแล้วก็ต้องไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนเราเช่นต้องตายอยู่ที่ไหนก็ต้องตายอยู่ดีไม่มีใครหนีพญามัจจุราชไปได้แต่โยมยังไม่อยากให้ท่านตายท่านยังอายุน้อยแล้วก็เป็นคนดีทำคุณประโยชน์ให้กับชาติพระศาสนาทำไมท่านถึงไม่เอาอย่างโยมยายโยมยายอายุต่างเกือบร้อย ตายโยมก็พูดเป็นลิเกไปได้คนเราทากรรมมาไม่เหมือนกันโยมยายไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ย่อมได้อานิสงค์คืออายุยืนส่วนคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะอายุสั้นมันก็เป็นไปนตามหลักกรรมอาตมาไม่ฝืนหลักกรรมหรอกนะจ๊ะโยม เรื่องตายเรื่องเกิดเป็นเรื่องธรรมดาของโลกตายแล้วก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นวัตจักอยู่อย่างนี้ชาติหน้าอาตมาตั้งใจว่าจะไม่ขอมาเกิดในโลกมนุษย์อีกมนุษย์มีแต่ขี้เกียจขี้โกงขี้อิจฉาริษยาจึงอิจฉาริษยากันไม่พักอาตมาขอให้ไปไกลร้อยโยตพันโยตโยมหมั่นทากรรมฐานนะ จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกท่านแนะนำประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ให้กำเนิดทิศพองรีบรับว่าโยมก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นเหมือนกันเอาละในไหนท่านก็จะไปจากโลกมนุษย์แล้วโยมก็ขอให้ท่านไปดีให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ท, ที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตเขาอยู่กันจะได้ประพฤติธรรมปฏิบัติ จนสามารถบรรลุพระนิพพานข้ามพ้นวััดสงสารเดยเร็วเถอะทิฏพองอวยใจให้พรพระลูกชายจเจริญพรอาตมาจะไม่ลืมพระคุณโยมทั้งสองพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของบุตรวันนี้อาตมาขอากราบลาพระอรหันต์เป็นครั้งสุดท้าย ขอพระอาหารหันต์จงอยู่เย็นเป็นสุขนิราชร้างห่างทุกทุกที่วาราตรีการเทินท่านกราบโยมบิดาและโย ม, มานดาสามครั้งแล้วจึงเดินทางกลับวัดกระนั้นก็ยังทันเห็นน้ำตาของแม่จวนท่านรู้ว่าโย ม, มานดาแม้จะทําใจได้หากก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ น้ำตากับผู้หญิงเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราโชคดีที่ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงว่าที่จริงแล้วจะเป็นหญิงหรือชายก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นค่ําคืนนี้ชายที่ชื่อเจริญจรุนรัตจะต้องตายเพื่อใช้หนี้ไก่